มีข่านฝ่ายแฮ่ห์เอียนเตียวครับปองทับหน้าเกลี้เตะครั้นยกมาใกล้ก็รู้ว่าทหารเตียวลอกยกมาตั้งอยู่หน้าด่านรักษาทางเป็นมั่นคงก็อยู่ฐานตั้งค่าอยู่ก่อนทางไกลออกไปประมาณร้อยสิบเซนเลยในค่าวันนั้นแฮ่ห์เอียนเตียวครับเหนื่อยนักด่เดินทางมาไกลทุรกันบานกน พักหยุดประมาทไปวิ่งตัวตรากันคลําเวลายามเสงงงร็เอียวหยมเอี่ยวหลวงรั่วกองทัพมาโจโฉยกมาถึงยามมาตั้งคับอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ปรึกษากันทีเดียวอ่ะทับมาโจโฉพึ่งมาถึงทหารทาั้งปืนนะ่ะจะต้องเด็กเมียเมี่ราอีกโดยนะก็คงจะต้องประมาทหับมอนกันไปดยไี่ด้ระวังระไวา ยำเราจะรอบยกฐานไปต้นค่ายเอาเห็นจะได้เดินง่ายมีปึกษากันแล้วอ่าเยี่ยวยันยงงเนี่ยก็จัดแจงฐานโยกไปทีเดียว<ม>ไปทีเวลากลางคืนนั่นแหละก็หลอกจุดเพลงิงเผาค่ายแห่หัวเอีย e นกับเดียวคาบขึ้นแล้วก็โจมปีตารุมบอลเข้าไปฆ่าฟันทาหารร่วตายเป็นอันมากทีเดียว เดี่ยขับกับแหัวเหยียนทหารทั้งปวงนันไม่ทันรู้ตัวเลยก็เสียทีแตกหนีกลับไปบอกเนื้อความกับโจโฉตนพาทัพมาเสียทีเพื่อจะเนียโจโฉได้รู้ดังนั้นก็โกรธนักทีเดียวก็จิดว่าตัวได้ทำศึกมาด้เราน่ยเป็นช้านานยังรู้อยู่ว่าพิ่ยกไปถึงทหารทั้งปวงเน็ตเหนียเมียมเม่ยวระ ก็ควรแค่กำชับตรวดปลาต้องกันระวังระวัยเข้มแข็งนีตัวละเมรประมาณนะัไมิได้ระวังเหตุการณ์ให้เสียทีแก่ค่าถึง ด, ดังนี้โทษใหญ่หลวงนนี่แล้วโจโฉก็สั่งให้เอาตัวแห่หวยเอียนกับเปียวขับไปฆ่ากันเลยทีเดียวอนี้ แถือว่าโจเถินตักสินใจอย่างดุแงเแือเฉียบขาดยิ่งเลยแต่ก่อนนู้นเมื่อโจโถิเริ่มจากต่างเนื้อต่างตัวหนีปังโตออกไปชักธงผ้าขาวขึ้นผืนเดียวผู้ที่มาสัมผัสเป็นกำลังด้วยครั้งแรกอย่างสำคัญที่สุดก็แฟแห่วหัวสองคนพี่นอ้องแหววหัวเอียนแหววหัวตุ้นแล้วก็ได้ออกรถพับจับจุดมาด้วยกันโดยตลอด ผิกที่กระทำขึ้นครั้งนี้โทษต้องประหารก็ถูกแล้วแต่ความสัมพันธ์ใดๆต่อกันนั่นละ่ะโจโฉไม่ได้นึกถึงเลยหรือโจโกฟังประหารเลยทีเดียวอ่ะถักลับเดียวครับนี่เป็นฐานที่มีดีจริงแต่ก็ถึงมัดด่ายตัวมาในกองกลางๆเท่านั้นเนี่ยเอาแล้วโจโฉฟังประหารคนทั้งสองนี่เลยแต่มันก็มีข้อยกเว้นกันจนได้ละ่ะ ที่ปรึกษารทหารทั้งปวงนี่พวกนี้จะต้องคอยมีหน้าที่กระทําอย่างนี้อยู่นี่เมื่อทําโจกเกิดโศสาสั่งการทำอะไรก็อะไรนี่ก็สั่งไปละตามอํมมานาจหน้าที่ครับนี่ที่ปรึกษาทหารทํางวงที่ดีนั้นก็ยังมีอยู่ก็เข้ไปธํามบขอรลองไวยขอโทษขอโพย ข, ขอให้อภัยบัดนี้ต่อนหน้าศิษย์ต่อนหน้าศัครูอย่าประหัตประหนานชีวิธานเอกเฉยเลยกระทาปิดเพียงครั้งแรกแกตก็ขอร้องกันไป โจโฉก็ยกโทษให้คือตอนโทสะกล้าก็ฝั่งกระหารกันล่ะแต่พอได้สติขึ้นบางสันิดหนึ่งยับยันใจใจได้ครู่หนึงก็ยกโทษให้แต่ยัไม่ตายและก็ยกองทัพรีบไปทีเดียว โจโฉฝานให้ยกกองทัพรีเบเดินผานเข้าไปอีกการยกทัพมาครั้งนี้ถ้าจะกล่าวกันโดยทั่วไปแล้วนี่ก็ต้องกล่าวว่า กองทัพมามาเสียทีเขาเสียาชนีมีมันเสียรกษ์เสียยามต่ต่างๆ่านาประการกันก็จะต้องท้อถอยแต่เจเมงเต้ไม่ได้คิดแค่นั้นสรางให้ดำเนินทัพเข้าไปการเดินทัพเข้าไปนั้นก็จะต้องผ่านซอกรวยเนินเขาอันป่าชัดท้าแก้วทหารเนี่ยเดินทางด้วยความขัดสนทุกอย่างลำบากนะ โจโฉนั่ถึงกับพูดอระมาเลยทีเดียวในตอนนี้พอใจในการเดินทามว่าเราไม่รู้เลยว่าทางกันบานดังนี้แม้รู้ก็หายยกกองทัพมาไม่และก็เกรงข้าศึจเจ้าทหารมาซุ่มไว้อีกด้วยเขาทูซิหลงเราจิงค่อยเกิดซิทขึ้นวางวีโงมนี่เป็นตำแหน่งของโจโฉเขาไหมครับวีโง่ อย่าเจราจาดังนี้ท้าทางท่านปวงรู้เข้าจะเสียใจโจโฉก็เห็นจริงตัวเองเป็นแม่ทัพนาใหญ่มาบ่นพอใจเช่นดังนี้นะ่ะมิได้โจโฉก็ไม่พุดทั้นมาถึงค่ายเก่าที่เดียวครับแหรเวียนมาถึงแล้วก็ตั้งค่ายไว้แล้วก็ถูกฆ่าเป็นเผาไหม้สิ้นนะ่ะโจโฉก็ตั้งค่ายใหม่ แล้วก็กำชับฐานเอกฐานโทรให้ระวังรวจกราฐานมันัวดให้อยู่ยามปามไฟกันใหยจนปวดขังมั่นคงไม่ประมาทกันละ่ะที่เจ้ข่าสึกมากระทำการดังคราวก่อนได้ครั้งรุ่งเชา้าโจโฉก็ขีม่ม้าพาเขาทูสิหลงออกจากค่ายไปถึงภูเขาแห่งก็จึงขึ้นไปดูบนเนินเขาก็ไดเห็นข่าสึก อ, อยู่หน้าด่านนะมั่นคนนะซึ่งทานที่จะเข้ารบพุ่งนั้นอม mm. เห็นว่ขัดสนเคลื่องบาด ท, ทีเดียวโจโฉ ว, ว่าอย่างนั้นยังไม่ทันจะขาดคำอำ mm. ก็ดินเสียงประทัดและเสียงหันโหร้องกล้องสมนมขนหนากข้ามาทั้งสองข้างทางโจโฉก็ตกใจ mm. ก็คิดว่าเราจะรบพุ่งประการใดเ mm. ขาทูลยอดทหารกลา mm. เคยอุ mm. ้มโจโฉ เพ่งลงมาขึ้นเรือหนีมาเฉียวมาแล้วขา้าพถูก็จึงว่าท่านอย่าวิโตกเลยแต่ขา้าพเจ้าผู้เดียวจะขออาสารบป่านผ่าน น, นี่อันตรายมีมาถึงท่านนี่แล้วขา้าพูกพันมาวากะซี่หลงว่าให้เร่งพาวีกรมกลับไปค่ายเถอะขณะนั้นเอี้ยวเหยี่มเอี้ยวหนองสองนเอกเมียงหันโตมก็พาทหารกรนาเข้ามาทั้งสองขัน้น ขาวถูก็ขับมารำาทวนเข้ารบเป็นสามะาเอียวเหวียงเอียวหงทั้งสองนี่แหละพระ้อมด้วยทหารอันมากมายแต่ก็ทานกำลังเขาทถูแต่ผู้เดียวมิได้สองทหารเอแกแห่งเมียงฮันตงเอียวเห็ียงเอียว ห, ยวหงต้องชักมาพาฐานถอยไปที่กลางฝ่ายเปียวคับแฮว่เยียนออสองทหารกองหน้า ได้ยินเสียงโ h ร้องตนั้นก็พาฐานตามไปหวนจะช่วยโจโฉมารู้เราว่าขาดเสร็จะต้องเข้ามารุมโจโฉซะแล้วครั้นมาถึงปากทานก็เห็นซีหลงพาโจโฉข้ามเมินมาก่อนก็รีบเข้าไปรับด้วยความยินดีข้าวทูนั้นรบกระหน่ำย่งางหนักจนกระทั่งเอียเหยียดอียวงย ง, งถอยไปแล้วเนี่ยข้าวทูก็รีบติดตามมาก็มาทานกันคับทุ น, นี้ โจโฉก็พาฐานทั้งปวงกลับมายังค่ายเพราะเห้ตั้งมันอยู่หน้าที่นั้นห้าสิบวันกองทัพมามารบกองทัพมายกมาถึงครั้งแรกถูกเผาพินาศสิโจโฉมาถึงเองตัวเองถูกตีกระนํำเข้าถึงจะไม่หมักหนาอย่งางไรแต่ก็เสียขวัญไปละโจโฉตั้งมันอยู่เช่นนั้นอย่างนั้นถึงห้าสิบวัน นี่เกืดบสองเดือนทีเดียวตัางมันอยู่อย่างนั้นและโจโฉก็แกล่งพูดขึ้นว่าเรายกกองทัพมาครั้งนี้ทหารได้รับความลาบากนะเห็นจะเอาเมืนงหันโปงไม่ได้จำจะยกทัพกลับไปดีกว่าโจโฉกล่าวดังนี้แต่เป็นการแกล่งพูดออกมาเพื่อลองดูบรรดาทหารที่ปึกษาทั้งสวงนี่จะว่ายังไงอะ่ะ กาเซียงกาเซียงตอนนี้นที่ปรึกษาคนสําคัญงทีเดียวกาเซียงเินพูดว่าท่านยกกองทัพมาครั้งนี้โดยแทย้จริงแล้วก็ยังหาได้รบพุ่มขับเขี้ยวกับข้าศึกไม่ั็เป็นแต่รบกันปราปรายกันเท่านั้นเองยังมีทันเจเดลฝีมือทหารยังทำตงเลยว่าเป็นฉันใดท่านจะยกกองทัพกลับไปเมืองนะ่ะอะไรยอยู่ โจโฉก็เกิดสิบวังเราเห็นทหานเมืองหันตงออกมาตั้งค่ายมั่นคงอยู่นี่ได้ประมาทเราว่าจะยกกอมทัพกลับนันนะหวังให้กิติษัก์ทั้งนี้รู้ไปถึงข้าศึกถึอข้าศึกจะได้ประมาทใจและเราจะแต่งฐานให้ยกอ้อมไปตีเอาด่านเองเป็นวขวนก็จะได้โดยง่ายหรอกโจโฉ กวกับกาซิ่งเย็นกาซิ่งเด็กฟังก็สนเสริมทีเดียวว่าความคิดขึ้นเกิดทําทางนี้สเสมอเทศพ ย, ยดาและโจโฉหันมนว่าแต่ตียวครับแฮวเอียนว่าพวกตัวผิดอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนี้เราใช้ตัวไปทําการแก้ตัวแม้ไม่ได้ราชการจะให้ข่าเสียเตียวคับกับแหวเอียนก็รับว่า ท่าจะใช้สิ่งใดข้าพเจ้าก็จะขออาสาให้ดูจัดการให้จงได้โจโฉก็จิงว่าท่านทั้งสองจงคุมทหารแยกกันอ้อมไปทางด้านหลังโจมตีทางด้านหลังดานเองเป็นขวนเข้ามาส่วนตัวเราจะยกเข้าตีทางด้านหน้าเดียวครับแฮวเหียนก็รับคำแล้วก็มาจัดแจงทหารท้งปวง ร้อนวัดเป็นทังเจ้าโชโจโนี่นก็ได้รับคำสั่งเสริมจากฝ่ายสกุลทุกผู้ทุกนามและว่าเป็นผู้ชํามาในการสงครามโจโฉก็สภาพการที่เป็นเระ็จย์อยู่นั่นแหละพูดออกไป เห็นได้ยินกันทั่วไปอ่วาบมันอยากบากกันบานหมักหมาแถววิญญาณนี่ไม่มาจะกลับหนีและท่านกทไทยเอกการนี้นเป็นประโยชน์แห่งทรรมละเอาดำเนินแผนการดังกล่าวแล้วคือให้เกียวครับแฮอวิเอียนยกไปด้านหลังส่วนตนเองจะไปทางบ้านมาละเตรียนการนี้ไว้วิธีขัดไฟเยาหง ก็ปรึกษากับเอียวเหยี่มว่าบัตรนี้เราได้กิติศักดิ์ว่าโจโฉเนี่ยจะยกกองทัพกลับแล้ ว, วเราจะคุมานโจมตีเอาเห็นจะแตกกราสำระสายเป็นมั่นคง น, นี่เอี่ยวหงว่าอย่างนี้เียวหนุ่มเียวเหยี่มก็ตอบว่าท่านจะคิดกำเริบใจดังนี้นี้ได้ ด้วยโจโฉเนี่ยทำมาในกลศึกกลสงครามนะมักจะล่อล ง, ลงเอาเท็กว่าเป็นกินเอากจริงว่าเป็นเท็จดูดังนี้ซึ่งจะาฟังเอาเป็นแม่น้ำเราไม่เห็นด้วยนีเอีย่ยเหยียนมีคลิกดังนี้ถูกต้องละ่ะไดเอี่ยวงงหรือเรือประตกในอุบายโจโฉละ่ะคือเกิดความประมาทไง เอีหวงไม่ฟังด้วยทีเดียวล่ะพระองค์ก็เป็นทหารเอกมีทหารในบรรับบรรชาอยู่ด้วยนีย่ก็จัดแกงทหารทั้งห้าร้อคือห้าร้อยไข้นะให้อยู่รักษาไข่แต่คนป่วยคนไข้เท่านั้นมีก็แสดงเห็นว่าความทัวรัตดางแดนอยากเข็นในภูมิประเทศเนี่ยนี่เด็กเป็นเฉพาะไข่โจโฉหรอกไม่แต่ข่ทหารของยังฮันโเองเนี่ย มีป่วยไข้ด้วยอ ะ, ละเลี้ยวหงอนจับยางฐาเสร็จแล้วก็ยกไปในเวลาสมยามเศษขณะนั้นหมอกก็ลงนะ่ะนี่ได้หนงทางละเลียหวหงก็คิดเกรงเหมือนกันก็อยู่ฐานตั้งมันอยู่กลางทางที่นี่ขันไฟแห่ไวเอยียนยกออมมาในขณะนั้นหมอกลงนะ่ะเป็นเวลาเดียวกันนี่ ได้ยินเสียงทหารเสียงมาก็รู้ทีเดียวว่าทาหารเงินหันตรงคงจะต้องมาสุ่มอยู่ก็รีบยกรุ่งเข้าไปเท่อพ้นใ ห, ให้เรยไปให้ได้แต่กองทัพไทยเรย์นั้นไม่ได้ไปทางด่านนี้ด้วยความมืดและหมอกลงหนะเด็กก็หลงหลงทางไปไปพบค่ายเอหนงก็หายพอเชา้าหมอกคลายลง ทหารเอี่ยงงงที่รักษาค่ายอยู่น่ะคิดว่าเอีงงงยกทหารกลับมาก็เปิดประตูรับกลายเป็นรับฆ่าเสือเข้าให้สิแฮวิเยนก็คุ้มทหารก็ไปไม่ค่ายนั่นแหละก็เที่ยวตัวมีทั้งห้าร้อยค่ายเห็นทหารรักษาอยู่น่ะน้อยกว่าคนป่วยคือคือก็มีแต่คนเจ็บคนไข่อะไรแฮวิเยนก็ตุดพลนเผาค่ายฆ่าเสืขึ้นเลยทีเดียว ได้แก่แค้นแล้วตนยกมาครั้งแรกตัวพวกนี้ยกไปเผา่ายตัวอีกบัดนี้ก็สั่งเผา่ายนี่มั่งทหารที่รักษาไขายนะ่ะหนีไปได้บางตรมนี้ตายด้วยอาวุธบางกรมมากที่ปวยไข้ไปไม่ได้ก็ตายในกองพลสิน้นข้างฝ่ายเอีย้ยวเหยียนผู้ห้ามปราบเพื่อนเต็มแล้วอย่าประมาทโจโฉบัดนี้เอี้วเหยียน เห็นแสงเทินย e like ุบ uh. ท่วมครเอี่องหลงขึ้นใช่ไหมก็คุณนันยกมาช่วยแฮววเอียนหนีมั่นก็ขับมาเข้ารบด้วยวเอี่ยงสู้รบได้ห้าเพลงเมื่อพระธาก็ะดกกำลังฝีมือตัวต่อตัวดังเนี้่ยเหอี่ยงหงวเก่งกาจสามารถอย่างไงกดตามเธอะทานกำลังซื้อมือแหววเหียนไม่ได้ก็ขับมาพาฐานถอยกลับไปเข้าค่ายตนก็พอดีวันนเตียวขับ มนมหันอยู่ในค่ายตนเป็นอันมากคือเตียวครับมาพร้อมกับแฮร์ไวเอียนเนี่ยดูกระต่างคลาดกันแฮร์ไวเอียนมายังค่ายเอหงส่วนเตียวครับไปค่ายของเอียวเหียมในขณะที่เอี่ยวเหียมยกมารบกับแฮร์ไวเอียนเตียวครับก็เข้ายึดค่ายเอี่ยวเหียมได้เอี่ยวเหียนกลับไปถึงค่ายตนเห็นเตียวครับยึดค่ายได้แล้วเค่นั้นเอี่ยวเหียนก็พาฐานหนีไปทางเมือง ลำเต็งทีนี้ข้ามฝ่ายเอีนยงเองีนงผู้พาทหารจะไปตีโจโฉคิดว่าโจโฉจะถอยเห็นแสงเพลนลุกหม่ทางค่ายของตนดังนั้นก็ไม่คิดที่จวับาบาดนี้ดีร้ายกว่าตามเถอะโจโฉคงจะยกไปเผาค่ายตัวซะแล้วครั้นจะถอยกลับมาต็เกรงโจโฉจะติดตามตมีก้นเนเรืออยู่ ก็พอดีทหารโจโฉสิตีกระาบกัมาทั้งสามบ้านเตียวหลงจวนตัวเข้าไม่รู้จะทำยังไงได้ก็ต้องทิ้งทหารเสียขับม้ารัชทางหนีไปแต่ผู้เดียวก็ไปพบกับเตียวครับเข้าให้ก็สู้รบกับเตียวครับเป็นสามาถทีเดียวเตียวครับมีฝีมือเยี่ยมมักเตียวครับ ไม่วทวนพีก็อาทวนแทงถูกเตียวงงตกมาตายขณะนั้นทหารเตียวงงถึงแตกหนีมาก็เมื่ความต้อ ง, งการทวนเนี่ยไปบอกแก่เตียวโอยทุกประการเตียวโอยได้แจ้งดังนั้นอยู่เหนียนก็ต้องทิ้มค่ายหนีเตียวงงก็ถูกฆ่าศึกฆ่าตายอย่างเนี่ยทาอย่างไร โฉดกดยกพับเข้าไปในด่านเองเป็นขนอันสำคัญนี้ได้มีเป็นด่านสําคัญของมือคันโตมเ๋ยวหล่อส่งนายทหารคนสําคัญสามคนมารักษาด่านนี้ไว้เป็นนันว่ารักษาด่านนี้ไม่สําเร็จเออเดี๋วอ้ยเมื่อต้องทิ้งด่านนี้มาแล้วเนี่ยก็มาพบกับเอียวเหยี่ยมหนีมาเหมือนกัน ส่วนเอียวหงเอาชีวิตไปเส้นคนทวนเตียวครับซะแล้วนี่ไปสามเหลือกลับมาสองส่วนท้ายคนนั้นยับเยินกลับมาเข่าเบี่ยงหันตรงได้เตียวเอวยก็เข้าไปบอกกับเตียวร่าว่าเสียด่านเสียไข่ด่านหน้าทั้งซ้ายขวาเนี่ยถือเดียวไปถึงด่านแล้วเนี่ยก็ให้เียวหงยังเหนี่ยมเนี่ยไปปั้งไข่ซ้ายขวาที่เสียไข่ทั้งสองนั้นก็เพราะ เอวหงเอวเหนียบประมาทฆ่าศึกนีกล่าวโทษเพื่อนกันเลยข้าบเจ้าเนื้อศึกเลอกมันนะจินละบ่านเสียเข้ามาแจ้งเนื้อความแก่ท่านคือตัวเองไม่ผิดละีัวว่าในวันนี้นก็โกรสั่งให้ตัวเอเหนียบไปฆ่าเลยทันทียอวเหนียก็จริงว่าโทษขบเจ้าผิดน่าก็จริงอยู่แต่ก็ยังน้อยนะดีเด่นเอวหงนะ่ะ เอีงหลงก็จะยกไปโจมปีโจโฉขบเจ้าก็ได้ห้ามแล้วเอียงหลงก็ไม่ฟังขึ้นยกไปจนได้จนข่าสืบเรื่องเอ้ามาเผาข่ายเจ้าขบเจ้าเห็นแสงเพลิงก็ยกไปช่วยฆ่าเอียงหลงแต่ขั้นถอยกลับมาโจโฉก็ยกชิงเอาข่ายขาบเจ้าไปได้อันโทกขบเจ้าผิดนั้นก็ผิดอยู่แต่ก็จะขอชีวิตไว้ทําประชการแก้ตัวก่อนถ้ายกไปเสียทีกลับมาอีกก็จินให้ข้าเสเถอะ มีเอี้ยวเหยี่มไวอย่างนี้เตีเยวหลอกก็จึงให้งดโทษไวแล้วก็เกณฑ์ทหารสองมื่นเอี้ยวเยี่มยกไปตีกองทัพโจโฉเพื่อชินเอาด่านกลับคืน n ม้ด่างเอี้ยวเหยี่มก็คุมทหารสองมือนยกไปพมืองลำเต็งแล้วก็ตั้งค่ายมั่นอยู่ทีนี้ข้างฝ่ายโจโฉ ใ, ให้หฮว์เวอี้ยนคุมหาสองพันเป็นกองหน้ายกจกดาน่วงเข้าไปกอ ขณะนั้นมาชายสืบข่าวก็กลับมาแจ้งแก่แหวเียนว่าบันี้เียวเหียมยกกองทัพมาตั้งค่ายอยู่แดนเมืองอาดานชายแดนเมืองลำติงแหวุเอียนแจ้งนั้นก็ฝั่งให้ตั้งค่ายหลงบัตฝ่ายเอียวเหียมรู้ว่าแหวเียนยกกองทัพมาตั้งค่ายอยู่ดังนั้นก็เชียงกีคุมานออกไปเจอพระแหวเยียนแหวุเอียนมีฐานสองพันตัวนั้นนะแหวเียนเห็นเชนั้น ออกมนอกมาหน้าคายแล้วก็ขับมาเคาร์กับเชียงกีเลยสามเพลงเชียงกีเรียกว่ายอดทหารนึ่งหนตรงนี่ได้มีชื่ออยู่ในสารระบบทหากล้าส่วนแฮร่ยเอียนซีชำมาในการรบยิงนักก็เพียงไม่ท่าไราร้อยเพียงคู่เดียวมีถึงเพลงอาวุมิถึงเพลงแฮร่ยเอียนก็อาเงาฟันถูกเชียงกี รัวขาออกเป็นสองท่อนแล้วีเด็กแกงบอกว่าตายหรือไม่ตายมันก็ตายยอ่งวเหยิงเห็นเชียงกีูกขาดถูกฟันตัวขาเป็นสท่อนก็โกรธขับม้าเขารบกับแพรเยียน e ตีเดียวเอเหยียนมีคนมีฝีมือสู้รบด้วยสามสเพลยยังม่ได้แพร่เด็กชนะแกกันแพรอเอียนนี่ยมีฝีมือก็มีฝีมือแต่ก็มีเด็กลุกลุก e า, เ า, าเดเว รแล้วก็เห็นสูงรบูีตั้งสามสิแล้วก็ทำเป็นชักมาถอยหนีหอะไรก็อ่อนกำลังว่ะเอียวเหยียมนี่เดรู้ในคลุ่ึกเขาเลยก็ขับมา้าย่ตามทีเดียวขนักหนีผู้มีฝีมืดีนั้นมักจะใช้กลมอุบายเช่นนี้คือตัวเองมีความสามารถในการบังคับม้าเป็นอย่างดีด้วยมีฝีมือเป็นที่เชื่อได้อีกด้วยเนี่ย ก็จึงทำเป็นหนีให้ขาดศึกตามฝึกเกิดความประมาทและในขนาดนั้นในช่วงจังหวะที่เอียวเหยียบขวบมาตามกระชั้นชิดติดเข้ามานะี่ยเอีย่ยเหยนยาชักมาด ก, กลัมาได้อย่างทันทีเลยมีต้องเป็นผู้ชำมาในการบังคับมาเป็นอย่างยิ่งชาดมาด ก, กลับเพราะมนันก็ฟันเอี่วเหยียบตกมาดตายทหารทั้งปวงก็แตกตื่นไปทุกตาบลเป็นอันว่า แหววเอียนชนะเอียวเหนียมผู้ขอภาคธันจากเดี๋ยวรอจาเมืองหันตงจะออกมาทำการแก้ตัวเนี่ย mm. ก็เอาชีวิตมาเส้นคมอาวุธแหววเอียนเสีฝ่ายโจโฉนั้นครั้นมาชายมัดแจ้งว่บาบัดนี้แหววเอียนมีชัยชนะแก้ข้าสึกแล้วโจโฉก็มีความยินดียกกองทัพเหนือมล่เงเข้าไปตั้งค่ายอยู่ใกล้เมือง หันโต้เลยทีเดียวไปเตียวล่อจ้าเมืองหันโต้เตียวล่อผู้นี้คอจะกลาบแล้วก็เหมือนอ่าคือมีการกระทําเรียวกว่าการกระทํานะครับเหมือนสุ่มวเหม็นเหล่าปี ถึงอสุดมใครหลายคนคือจะตั้งตัวเป็นใหญ่เตียวล่อนั้นถึงตั้งตัวเองเป็นเจ้าบ้านตัวเป็นเจ้าเจ้าแห่นฮั่นตงนี่เตียวล่อนี่แหละบักนี้เตียวล้อได้แจง้งถึงความพ่ายแพ้ของฝ่ายเตนเข้าดังนี้ข้าสึกยกทัพมาประชิดปิดเมือตัวเข้าแล้วก็จึงปรึกษาถามตัวว่าเอียงเหนี่ยมก็ไปถึงเด็วกวานตายเไปเแล้ว บัดนี้โจโชก็ยกเรื่องกมาใกล้มนีเราท่านท่านปวงจะคิดอ่านประ ก, การใดเงียเนเผาเงียเนเผาเงียนเผาก็จีว่ามาเฉียวผู้มีฝีมือต่อเอาใจออกหากจากท่านไปแล้วบัดนี้ยังมีอยู่ก็บางเต็กแต่บางเต็กก็ป่วยอยู่หาได้ไปได้ไหมบางเต็ก เหตุด้วยป่วยอยู่ที่นี่ได้ไปกับมาเชียวบังเต็กบักนี้อาการป่วยก็ทุเลาแล้วและบังเต็กปุณีมี่มีกราหายน้ำใจก็ซื่อสัตย์เขาเ้าไดเจ้าในสั่งเสริมคุณท่านอยู่ว่าครั้งที่มาเชียวหนีโจโฉมาก็ได้มาพึ่งดุนท่านบังเต็กก็พอได้เป็นสุขด้วยบังเต็กนะ่ะคิดจะแทนคุณท่านอยู่เด็กนิวายขอให้ท่าน เรียกหาตัวบางเต็กเข้ามาให้ยกกองทัพออกไปเห็นพอจะต้านท า, ทานทหารเจโฉได้นี่เนียมเพาอมมาวากล่ า, าวชี้แจงให้เปียวล่อจอมเมืองผูกําลังวลจนแกปัญญาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรนี่บอกขึ้นจนนี้เปียวล่อในฝัน ก, ก็มีความยืนดีก็เรียกหาตัวบางเต็เข้ามาบางเาต็กหนุ่มซือมาาปูนบำเน็จให้เป็นอันมากทีเดียว ก็ให้บัณฑิตรางวัลกันก่อนแลแล้วก็จริงว่าเราจะให้ท่านออกไปรบกับทหารโจโฉจะได้หรือไม่บางเต็กก็จริงว่าข้าพเจ้าจะสนองคุณท่านกว่าจะสิ้นชีวิตคือว่ายินดีลและถ้าจะว่ากระโจโฉก็เป็นสัตว์ตคู่แข่งของบังเต็ก ม, มาก่อ น, นการทากันเป็นการของเตียวยหล่ออย่างฮันถงกัดยิงและก็เป็นการของตมเรือลาอักเตียวหลอาก็จัดแจงทหารให้ลุ้นลุ้ บางเตกก็ลาเตียวล้อออกไปนำทหารไปตั้งค่ายมั่นไว้ดแล้วบางเตกก็ขึ้นมาพาทหารไปเก่งถึงหน้าค่ายโจโฉเลยที่บางเตกนี่กล้าอย่างนี้แล้วก็ร้องท้าทายโจโฉเป็นข้อหยาบช้านะนะประการให้ออกมาสู้กันโจโฉได้ยินดังนั้นก็ถามทหารว่าเอกเจ้าคนนี้มันเป็นใครชื่อใดเนี่ย ทหารที่รู้จักก็บอกว่าทหารเตียวล้อผู้นี้ชื่อบังเต็กโจโฉพะเด้กินนั้นก็ระเขึ้นมาได้ทีเดียวว่าบังเต็กเลยบังเต็ก ค, คนนี้เองฝีมือกล้าแข็งยิ่งนักเป็นทหารของมาเฉียวครั้งรบกับเราณตําบลแม่น้ําอุยโห่ซึ่งบัดนี้บังเต็กมา อ, อยู่กับเตียวล้อเนี่ยด้วความจําใจโดยเรารู้อยู่ ว่ามาเชียวก็ห น, นีไปอยู่กับลาปีในเมืองเฟชชวนอินแล้วบางเต็กอยู่กับเตียวล่ออย่างนี้ด้กยำใจเราจะคิดอ่านเอาตัวบางเท็กเนีมาไว้ดบื้องหนุได้โ จ, โจโจคิดดังนี้ครั้นแล้วก็สั่งถามทนปวงกิว่าบางเตก ค, คนนี้มีกำลังและฝอยู่เป็นนั้นมามแม้ท่านจะออกไปลบถึงแมกว่าบางเต็กจะเสียที ก็อยางให้ถึงแก่ความตายจงตระหยัดรบพุง่งแต่พอให้บางเต็กถอยกำลังลงแล้วเราจะคิดอุบายเอาตัวบางเต็กมาอยู่ด้วยให้จงได้โจโฉว่าอย่างนี้ mm. เดียวครับนั mm. ้นก็รับคำที่จ่อไปรบนี่ก็รับคำโจโฉละเดียวครับมันก็ออกไปรบกับบางเต็กขับมาออกไปทีเดียว ไปรบกั บ, บังติคได้หักเลยเตียคับก็ถอยหนีกลับเข้า ข, ข า, ายก็สั่งนพับจองพับโจมเตะฝั่งแว้ห์ี่แต่อย่าให้ถึงเป็นถึงตายเปียคับกลับเข้ามาแล้วแฮร์ไวยก็ขับมาไปรกับบงติคบุกกนไเจ็ดเลแรวยก็ทำเปอยกลับเข้ามาีสองละสองละสีหลงหลหลก็ขับมารวน ซีหลงนี่แต่แรกเป็นโจลปามมีขวานใหญ่เป็นอาวุธซีหลงนี่ชำนานเพลงขวานแต่แม่นแหละเพลงทวนเนี่ยก็เป็นอาวุธคู่มือซีหลงที่สำคัญอยู่ซีหลงก็ขับม้ารําทวนออกไปทีเดียวสู้กับบางเตกซีหลงนี่สู้ถึงสิบเลยแล้ซีหลงก็ทำเป็นถอยเข้าข่ายอีกโอ๋บางเตกก็รู้สึกว่า่งใหญ่สามันอโจโจออกมารบแล้วนี่ เขาสู้กลับกข้าไปแล้วเขาถูกก็ขับมารัหน้าออกไกับมังเป็กสื้หนึ่งสิหาเลยเขาถูกก็ขับมากลับเข้ามามัางเป็กเป็นตัวได้ใจชนะกแก่ผานเอกของโจโฉทั้งสี่คนชะนีก้ก็พาทาหารกลับก็ไปในไข่ทาหารทั้งสี่ของโจโฉแหววเย็นเปียวคับที่ล้มเขาถูก เมื่อกลับเข้ามาได้เนี่ยทั้งสี่ทหารเสือเนี่ยก็สรเสริญว่าบาังเกิดนั้นชัมานในการสงครามนะโจโฉก็มีความยินดีละเพราะอยากจะได้ตัวบังเกิดอยู่แล้วก็ปรึกษากันหวังที่จะดูความคิดฐานทั้ปวงซิว่าใครจะคิดอย่างรายรการใดเนี่ยโจโฉกันมีวิธีการของกันอย่างเงี้มันก็จริงวะท่านทั้งปวงนี้จะคิดอ่านรายการใด จึงจะได้ตัวบังเต็กผู้มีฝีมือมาอยู่กับเรากาเสียงกาเสียงที่ปรึกษาคนสําคัญกาเสียงก็อยู่ว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่ว่าเดียวล่อหนน่ะมีที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่อเอลสงนี่อันเอลสงคนเนี้เป็นคนโลกเห็นแต่แค่ในสิ่งของว่าเป็นประโยชน์แต่ตัวเท่านั้นแหละ ก็คอยห้ท่นจัดแจงเงินทองสิ่งของใ่งนําเข้าไปแก่เอียวสงเถอะให้เอียวสงเนี่ยยุยงเตียวบอกว่าบังเต็กเนี่ยไม่เป็นใจรบทุนที่เอใจออกหาเอียวสงก็จะสงสัยบังเต็กแล้วท่านก็ค่อยคิดการต่อไปก็จะได้ตัวบังเต็กหน่วยง่ายนี่การเสี่ยงหวาอย่างนี้ถ้าเราจะย้อนกลับไป ดูตอนที่ขงเบ้วางแผนการเอาตัวมาเฉียวมาเนี่ยก็แผนอันเดียวกันมีแหละหรืจะเรียกว่าการเชี่อเนี่ย ร, รู้คนวิธีที่ขงเบ่งได้กระทำไว้จนกระทั่งได้ตัวมาเฉียวไปด้วยวิธีนี้ก็อันเดียวกันนี้เจ้าอิโสงคนในโลกคนนี้มีการเชื่อวางแผนให้เจ้าอย่างนี้กับเจ้ายางนี้ โจโฉก็จึงว่าท่านคิดดังนี้ก็ชอบอยู่แต่แต่แค่ผู้ใดนำสิ่งของเข้าไปแก่เอียวสงในเมืองหันถงได้ละ่ะแต่เสียก็จิงว่าเวลาพูุ่งนี้บังเต็กออกมารบท่านก็จงทำเป็นทิ้งค่าเสีแต่หนีไปบังเต็กก็จะเข้ามาอยู่ในข่ายนี้ และท่านก็จงจัดแจงทหารที่รู้จักการพูดจาจนได้เอาทองคําเลหร็นมแผ่เป็นแผ่นให้ทหารซ่อมเย็นนุ่งเสื้อและก็สั่งวัดถ้าทหารบางเต็กแต่กลับเข้ามืงแล้วก็ให้ปลองเป็นเข้าไปด้วยจะได้เข้าไปว่ากล่าวเอาสิงของให้แตกเดี่ยวสมได้มีวิธีครั้นเวลาคำ่ำ ท่นก็จงคุมฐานกว่าเข้ามาล้วข่ายบางเตยก็จะแตกหนีเข้าเมืองโจโฉฟังการเสี่ยงวะจะนี้ก็เห็นชอบเบื่กดจัดแจงฐานที่มีสติปัญญาเามาสอนสั่งตามคอยทำการเสี่ยงวะละและขอทองคำมาทําเป็นแผนทองเงินมาทําเป็นแผนให้ฟอนไปในรัวได้อ่ะอพวกนี้ที่จะต้องหลอบเข้าไปในเมืองพวกหนึ่งแม่ซี่หลนกับเาทาตูเป็นกองลอกให้เสียวครับแครวิเอียน คุมหานไปซุ่มอยู่สองข้างทางนายฐานตั้งสี่นั้น mm hmm. ก็เกิดทาตาทําที่โจโาโจสังฝ่ mm hmm. ายบางเตย mm hmm. เห็นขาทูตที่หลงยบมาบางเตยก็คุมฐานออกมารบกับขาทูตที่หลงเป็นสา ม, มาก สี่หลงเขา่าถูกก็ทําเป็นถอยหนีไม่ได้เข้าค่ายละบางเตก็ขุนหมั่นโจนโไปถึงประตูค่ายโจโฉโจโฉก็พาฐาน ถ, าถอยหนีออกจากค่ายเกรงกลัวมากยิ่งตึงหนีตามแผนบางเตก็พาฐานเข้าไปในค่ายได้ก็ได้คลื่นสารกลางวุฒิรียนอาหารเป็นน้ำมันบางเตก็มีใจกำเริบก็แต่วันก่อนสู้กับสี่ฐานเอกก็ชนะมาวันนี้ กับสองฐานเสือก็ชนะเขายึดค่ายได้นีบังเต็กหนีให้มีจิตใจโตใหญ่เป็นที่อยู่บังเต็กก็หีใจกำเรื่ให้แต่งโต๊ะเตรียมไว้ครั้งเวลากลางคืนก็ชวนฐานทั้งปวงเสดสุราอีอินอยู่ในค่ายแหละฝ่ายสิโหลนเข่าทูคุณทหารกลับมาข้างทิศเหนือแฮร์โวเอียน คุ้มานกลับมาทางขั้นอาทิตยตะวันออกนี่เดี๋ยวครับเข้ามาทางทิศตะ ว, วันตกพิศใต้น่ะเปิดวัดปเดีมันเป็นทางที่จะไปเมืองทางตกนี่เปิดทางหนีไว้ให้ให้นีไปทางนั้นครั้งได้ยินเสียงประทัดสัญญาณจุดขึ้นเป็นสำคัญก็จุดเพลิงเผาค่ายขึ้นทั้งสารบ้านแล้วกว็ขับรนโจมตีเข้ามา ก็บางเตก ม, มัวแต่ฉลองชัยชนะอยู่นี่บาดนี้เขาตีมาทั้งศาลบ้านจุดเพิงเผาเข้มาด้วยบ้านฐานไม่ได้แล้วก็พาฐานหนีไปข้างติดใต้เข้าไปในเมืองฮันถงและทหารโจโฉที่แต่งให้ไปด้วยนั่นแหะจัดแจงเกลียดตปแล้นี่ก็ปลอมตนเข้าไปในเมืองฮันถงด้วยมีวิธีที่จะเข้าไปในเมืองได้ก็ใช้วิธีนี้หมายความว่าคนที่จะเอา เงินทองให้แกเอี่ยวสงนะ่แะแต่โจโฉก็จัดแต่ผู้ที่รู้จัดการพูดจาดบุคคลเหล่างนี้ทาหารเหล่านี้ก็ปิดตามทาหารบางเป๊กเข้าไปในเมืองด้วได้ก็เข้าไปหาเอี่ยวสงนะ่ะมีทาหารของโจโฉก็เข้าไปหาเอียวสงอาเงินทองก อ, อกให้แกเอียวสง์ก็เป็ น, นมากที่เดียวแล้วก็บอกเนื้อความวาบัตมนี่ไงโจโฉ ผู้เป็นวีกงรู้ค่าว่าท่านมีสติปัญญาเป็นที่ชอบอัทยาศัยกับเตียวลอกให้ท่านช่วยคิดอ่านพูดจาให้เตียวลอกมีความสงสัยบั่งเต็กและไมเรีท่านกับวีโกงก็จะได้มีต่อกันสื่อไปนี่เตียวสงผู้นี้แต่ครั้งก่อน เขาของเงินทองมากมายจากหลาเปียะและตนก็ไม่ได้เสียหายอะไรบันี้มาได้เงินทองอย่างนี้ก็ต้องมาอยู่ทีเดียวเดียวสงเว็นเงินงทองเขาก็ยินดีไม่ความโล้ก็สั่งถานผู้นั้นว่าท่านจงไปบอกโจโฉเถอะการสิ่งนี้เพียงเท่านี้จะได้วิตตกเลยเราจะคิดอ่านว่ากลาวกับเดียวรอเองทหารผู้นั้น ก็ลอก อ, ออกจากเมืองกลไปบอกแกโจโฉให้สราบผู้ประการโจโฉได้แจ้งดังนั้นคือแผนการที่จ้เาตัวบางเต็กคงจะสำเร็จลุล่วงไป ด, ดีเพราะเอียวสงรับสินบาทสินบนับแรกนี้ก็มีความยินดีาก วความลับความลับโลกมากมีถ้าจะว่าไปก็ทำให้เขาได้ไะครับได้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านั้นแต่สิ่งที่จะติดตามมาประการใดอย่างไรกันนั้นมันเป็นอีกประการเอากันละวดเอรสงพอนนี้ก็รับสินบนของโจมิเกโฉเข้าไปเต็มเ้าละ เข้าไปหาเตียวร้อทีเนียก็พูดจ้าคือในฐานะที่ตนเป็ น, ปนที่ปรึกษาอยู่ด้วยนีย่ก็จึบางเต๊กเนะี่ยออกไปตีไข่โจโฉได้ทรัพย์สินสิ่งของเป็นอันมากครั้งจะให้อยู่รบพุกับโจโฉต่อไปเนี่ยกลัวท่านจะรู้ว่าได้ทรัพย์สินของไว้บางเต๊กเลยแกล้งทําเป็นแพ้ พิ้งข่ายเสื้แตกหนีมาก็หวังจะรับสิ่งของเรานั้นเป็นอนาประโยชน์แก่ตัวนี่เอี่ยวสงเข้าไปกล่าวอย่างนี้คือท่านมีปัญญามากหายเหตุหาเรื่องจนได้ขณะนั้นก็พอดีบังเต็กคือที่แตกท้ายมานาะถอยมาแล้วนะก็เข้ามาหาเตียวรอกคือความที่เมืวันเสาร์โจโฉเน่ยอยากได้ตัวบังเต็ก แต่ก็กระทําจนกระทั่งเอารบปีกระหนาเปิดไปช่องเดยวทางเดียวไปจนบางเตกอืแตกมาน่ะเพราะความทัดเลืกใจที่ได้ใช้ชนะก็โมเมาแผลวายประมาทไม่ระวังตัวโจโฉนัดทับตีเขไปสามบ้านสามทางทับบางเตกแตกกลับมาฮันถงเนี่ยนี่ขณะเดียวกันนี้บางเตกเข้าไปฮันเตียวรอแล้วก็บอกเนื้อความตามปิดต้นผ่ายแพ้มาเตียวรอได้ฟังแล้วก็มาคิดถึงคำเอียวสูง เพราะบางเต็กได้ใช้ชนะมาก่อนที่แรกได้ใช้ชนะแต่นี่แกร้งแท้นี่และบางเต็กก็ไม่ได้มีสัมพันธ์เยอะใหญ่ผูกพันมัดใจเตียวล่อเด็ดประการหนึ่งประการใดแต่อย่างไรเลยหนีก็ะสุะเซินมาพร้อมกับมาเขียวบัดนี้มาเขียวก็ไปเสียแล้วนี่มังบางเต็กถูกเตียวล่อพิริธิเคราะห์จะทายุทธ์ยางของเอี่ยวสยงเช่นนี้เตียวล่อ ผู้หาปัญญานี้ได้ก่มีความโกรธเป็น ม, นมากสังฐานทีเอาตัวบางเต๊กไปฆ่าเสียเลยแต่เงินเผาที่ศึกษาคนหนึ่งของเตียวล่อเนี่ยก็ได้เข้าไปขอโทษไว้เตียวล่อก็จึงว่ากับบังเต๊กรางเราจะยกโทษตัวนี้ให้แกเงิมเผาวไว้สักครั้งหนึ่งก็ทําำให้ว่าพร่ง น, นี้ตัวคมนมฐานออกไปรบและมิได้ใช้ชนะการฆ่าศึกเข้ามาแล้วก็จะให ฝึกศักย์เสีเดียวบางเทคนิคก็มีความน้อยใจเป็นธรรมดากดเป็น อ, ออกไปรบด้วความจริงใจแต่แล้วมันก็เป็นความประมาทของตนทําห้่าแพ้กลับมาเนี่ยถูกฆ่าโทษ ถ, ถึงตายแค่นี้บางเทคนิค ก, ก็รับคำเตียวว่าจเป็นต้องรับคําไปอย่างนั้นเองอหละทนโทษตายมาได้แล้วก็ขมับปลาออกมาจากแจงเกนรนทหารวั ข้างฝ่ายโจโฉครั้งเวลากลางคืนพอเอกเตียวครับแอะหัวเย็นสองแม่ครับมาคุมฐานไปซุ้มอยู่ข้างเนินเขาทั้งสองทางและพร้อมไม่ไ่อยฐานขึ้นไปขุดหุ่มเอาดิานเกลี่ยตาหุ่มไว้บนเนินเขาด้วยครั้งเวลาใกล้รุ่งี่สั่งให้ไปกระทำการแต่ตอนกลางคืนพอจจกใกล้รุ่งก็จัดแจงฐานห้ยกข้าพํายกแพงเมือง ส่วนตัวโจโฉละฐานประมาณ 14-15 คนขึ้นไปอยู่บนเนินเขาที่ขุดหมุมเข้าไว้แหละนี่วิธีการของโจวิงเต๋อก็เอาตัวเองนี่แหละโจโฉกล้าพอที่จะตัวเองออกเป็นเหยื่อรอดฆ่าศึกข้างฝ่ายบังเต๋อเดียวรอสั่งไว้แล้วเขาวันนี้ออกไปรถทำไมได้ใช้ยชนะกลับมานี่ตาย มังเต็กก็คุมหางเปิประมองออกมาลงออกมาโจนตีกองทัพโจโฉเขา่าทูเนก็ขับมาเขารบกับบังเต๊กเป็นสา ม, มัคทีเดียวและมังทูก็ทําเป็นถอยหนีบังเต็กเห็นได้ทีก็ขับม้าไล่ติดตามถึงเนินเขาฝ่ายโจโฉอยู่ข้างบนเห็นบังเต๊กพวกมาไล่ติดตามเขา่าทูมาโจโฉก็ร้องลงไปว่าอันเนื่องทันตงนั้นมือนอยู่ในเนื้อมีเรา เตียวลอนั่นหรอกก็เหมือนกุไก่อยู่ในก ร, รมมือเราจะเข้าพระตีเอาเอารียงฮันตงในแบบนี้บางเต็กก็จะพลอยตายไปด้วยจนเร่งคิดผ่านเข้ามาอ่อนน้อมแต่เราแตโดยดีจะได้พ้นความตายบางเต็กม่จิตใจตนนี้ได้รับการกระทําจากเตีวล่อมานี่มันทําให้น้อยใจคับแทนใจเป็นที่ยิ่ง เมื่อ บ, บัดนี้ฟังโจโฉว่าอย่างนี้ก็จึงคิดว่านี่ถึงแม้ว่าเราจะจับทาหารได้สักร้อยหนึ่งเอาไปให้ไป่เตียวล่อเนี่ยแต่ก็ไม่เท่ากับจับโจโฉในคนเดียวมันต้คิดอย่างนี้มันก็องมีอย่า ง, ย, งยังไรก็ตามยังจงรับพันนมีแต่เตียวล่ออยู่เราจะขึ้นไปจับตัวโจโฉเอาไให้แต่เตียวล่อก็จะมีความชอบแกเราเป็นอันมาก บางเต็ก ค, คิดดังนั้นและวด้วยม่รู้คนอุบายของโจโฉผู้ชำมาในการสงครามบางเต็กไมไ่รู้เนีคนอุบายเขาเลยก็ชักบางเหยี่ยมาเดินมาทางโจโฉคือไม่ติดตามเขาทูร์อ่ะชักมาขึ้นเดินเขาโคกตะรุนไปเลยพุ่ง เ, เข้าไปสู่โจโฉ<ๆ>ก็ยิงเสียงประทัดสัญญาณดังสนั่ น, นมาบางเต็กก็ถลันตกลงไปในหลุม บางเตก็โตกจากหลังมาไปร่วงไปอยู่ในหลุมนั่นเองราษฐานของโจโฉก็เขบากลุ่มรวมกันจับตัวบางเต็กมัดตัวเอามาให้โจโฉได้สำเร็จโจโฉเห็นดังนั้นก็แกรงเป็นประวัติ้องห้ามถามนันปวนทีเดียวจะได้กระทไวเช่นนั้นและโจโฉก็ลงจากหลังมาเข้าไปแก้มัดบางเตกเนยแล้วก็ถามว่าตัวท่านจะยอมอยู่ด้วยเรา เราก็จะไว้ชีวิตให้บังเต็กก็จึงคิดทีเดียวว่าน้ำใจโจโฉนี่หามีพยาบาทต่อตไมไหมมีความปราถนาตัวเองจริงๆอันเปียววเนี่ยเีคนเบาความคิดนิรภัยนิเคล้อความผิดกระชอบแประการใดเลยเป็นคนหาปัญญานิได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราเองก็เหมือนนก ที่หาของจับมิได้ควรที่เราจะไปอยู่กับโจโฉก็จะมีความสุขสืบไปใครก็ตามเกิดมุกจำเป็นต้องคิดอย่างนี้ทางนั้นแหละนเมื่บางเต็กไปอยู่กับเปียวร้อก็อมิได้มีสัม พ, พันธ์ทไมปีผูกพันเหนียวหนึ่งแต่การใดอย่างไรบางเด็กเห็นโจโฉกระทาดีพูดดีด้วยเช่นนี้ก็จึงผู้ปฏิบัติตัวขาจ้าเป็นข่าสิทธิ์แต่ท่านจับได้และไม่ฆ่าเไปนั้น คุณของท่านก็มีอยู่แต่ขาบาเจ้าหาที่สุดนี้ได้ขาบาเจ้าจะขออยู่ทาราชการสนองคุณท่านไปกว่าจะสิ้นชีวิตบางเต็กด้วยความขับแค้นใจทุกประการชนิดก็จึงยอมส า, ามิพัดอยู่เรียกโจโฉโจโฉก็มีความยินดีก็จัดมาให้บางเต็กขี่ตัวนี้แล้วก็พากันกลับมาค่าย แอ้แต่งโตยิงบางเตกแล้วใครเงินทองแก่ บ, บางเตกเต็มอันมากที่เดียวแต่สุดกับเมืองหันตงก็ยังคงดำเนินต่อไปรุ่งเชา้าโจโฉให้ฐานเอาบันไดหกและพระ อ, องค์เข้าไปพาดกำแพงเนื้อาหารบนหน้าที่ชนเกินก็ยิงเก้าทันทุ่มทิ้งกองทิวาลงมา ถูกฐานโจโฉรวยเจกตายไป น, น้นมากราทานโจโฉก็ยิงไระสือสุพรรณนรท์อร่างจานวนฝักแฮจุดวางทิ้งก็ไปหนึ่งเมือนบ้างไยก็ไหม้เรืนอนอามาประชารัฐตะบอง้งปวงขึ้นชาวเมืองก็ต้องเข้ามาช่วยกันดับกวาดทีนี้ข้างฝ่ายคือสึกก็ยังคงดำเนินการต่อไปละฝ่ายเปียวรอนี่ยรวบบางเซกไปเข้าด้โจโฉแสดง เขาปรึกษากับผานทั้งปวงทีเดียวว่ามันเป๊กเอาใจออกหักจากเราไปเข้าดิโจโฉบัดนี้โจโฉก็ยกกองทัพมาถึงเชิญําแพงแล้วเนี่ยทผานทั้งวงจะคิดประการใดอ่ะนี่ดี่ยวรอก็้าเหมือนคนทั่วไปคือก็คิดไปว่าเขาทําผิดเขาทําชั่วยังการมาเฉียวโอ้โหมาเฉียวเอาใจออกหักตอนนี้เราไปเข้ากับเราปีเสียแล้วบัดนี้ก็ไม่กลัน บางเทคบางเเอาตัวออกหานก็ตัวเราไปเข้ากับโจโฉเสียแล้วหาได้คิดใหม่แม้แต่ น, นิดเดียวเหตุ hey, ที่เกิดขึ้นทางนี้เขาไม่อยู่ด้วยเขาอยู่ด้วยไม่ได้มันเกิดจากใครประการไรเนี่ยเบลล์รอ็อกคนหนึ่งคนทั่วไปคือคิดไม่ออกว่าสิ่ง น, นี้เกิดด้วยตนความผิดของตัวเองนี่กับปรึกษาก็จะทํำยันไรกันละเบลล์โอ้ยกิ่งหวัง มันจะต้องกันไว้เอ็นจะไม่ได้ขอให้เผามือเสียอย่าให้โจโจได้ทรัพสินสิ่งของสเสบียงในเมืองนี้เลยคือให้เหลือแต่กาเมืองไว้ให้แก่ข่าสิทธ์เถอะและท่านพาครอบครัวะทะหารหนีไปอยู่ในป่าตงเบียวโอยแม่นํา่นนี้เอียวสงผู้กินสินบาสินบนเขาไวมา้มากมายอยู่นั้นก็เป็นห่วงทรัพย์สินสมบัติ้วของตัวะ ถ้เาเขาเผเมืองทิ้งหนีไปนี่ตัวจะทําอย่างไรเอียวสงก็ใช้ปัญญาตนนี่แหละพูดว่าอันจะทำำําคําตามคําเอียวโอยนี่นไม่สมควรเลยถว่มาม้ตัวจะหนีก็อยู่เมืองปาตงก็ไม่พ้นโจโฉเป็นเช่นนีแล้น่ยขอท่านออกไปนุบนอกต่อโจโฉซะโดยดีจะพ้นภยัยอียวสงแงน่ใจ เตียวลอกได้ฟังเตียวโอยแม่อย่างหนึง่งเตียวสงแม่อีกอย่างหนึง่งเตียวลอกก็คิดสงสัยอยู่ไม่รู้ที่จะทำตามคำขั้นไหนดีนี่นวายใจเกินหงกระวายตัดสินใจไม่ถูกเลยทีเดียว เดียโดนปัญหาอันสำคัญหนักหน่วงเขา้าเช่นนี้คือว่าจะหนีดีหรือจะไปอ่อนน้อมดีอักอันตามใจเหมือนกันหรือึกก็จริงพูดกันว่าแต่เดนินที่เราคิดจะตั้งตัวขึ้นนั้นก็หวังจะทะุบำรุงอนาประชาราษฎรแต่บัดนี้มีกรรมเป็นเหตุมาทำให้จวนตัวเข้าดังนี้ ครั้งจะเผาทรัพิ์สินสิ่งของส่บียนอาหารสําหรับเมืองมิเสียก็มิควรรากดอนทั้งปวงจะได้รับความเดือดร้อนจําเราจะพากันหนีไปแต่ตัวให้พ้นภัยเถอะนีเป็นเตี่ยวหลอกไม่กระทําตามคําคนทั้งสองคือเตียวอวยให้เผาเมืองแล้วหนีส่วนเี่ยวสงว่าให้ไปยอมแพ้ต่อโจโฉใช่ป้อนน้ำเพื่อนแล้วก็จะอยู่ได้ดีเดี๋ยวหลอกตัดสินใจ หนีแต่ตัวในที่นี้กฎหมายความบอกพาเสมอเพราะว่าครอบครัวนี่ยันเองละคลืนนั้นเวลาสองยามเศษเดียวลอกก็พาครอบครัวพรรพวกหนีออกทางประตูทิศใต้พุ่งกรงไปเมืองตาตงโจโฉรู้โจโฉก็รู้โจโฉรู้ดังนั้นก็มีไดให้ทหารติดตามแต่ประการใดแต่รุ่นเช้าทหารตั้งเปง โจโฉก็นำทหารทังวงเข้าเมืองฮั่นป๋องได้สําเร็จโจโฉนั้นก็เห็นคลังและช้างใสกุญแจอยู่คอยทหารกระทุ่งประตูต่อไปก็เห็นข้าวของทั้งตัวงมีอยู่มากมายโจโฉนั้นก็มีความสงสารแล้วก็ให้คิดทีดีย ว, ว่าเดียวว่านั้นจะเป็นคนหาปัญญานิได้อย่างไรก็ตามแต่ก็เป็นคนสัตว์ซื่อไม่ได้ทํามันตรายข้าวของท ร, รัพย์สินในเมือง หนีไปแต่ตัวป้องคำโบราณแล้วหนึ่งคือโจโฉนะ่ะเคยรู้เกห็นการกระทําของป๋องจันหญิงโตที่กระทํามาแล้วมีการเผากันหมดทั้งเมืองมันก็สูญเสียมากสันตะโรได้หมดละ่ะแต่ว่าเตียวร้ไม่ทําเช่นนั้นแพ้ก็แพ้ไปโจโฉน่ะก็แต่งหนังสือให้ฐานถือไปเรียกกล่อมเตียวร้ไม่ให้มันนกมอ บ, บต่วเราได้โดยดีเพื่อ เราไม่ได้ทำมันตรายสิ่งใดทหารก็รเอาหนังสือออกเดินทางติตามเียวร อ, อกไปยั ง, ง, งเมืองปาโตงเมื่อไปถึงก็เข้ไปหาเียวร อ, อกเอาังสือโจโออกสอง่งให้เตียวรอเียวอกแจ้งความในหนังสือแล้วค่อยคิดเกรงโจโฉอยู่จะทาคนอุบายก็จึงเรียกหาเปียวเอผู้น้องชายมารึกษากันพนังสือโจโฉมีมาอย่างเนี้ย จะให้ไหวอย่างไรเปียวโอยก็จริงว่าอา น, นุนใจโจโฉนั้นก็ประกอบด้วยคนอุบายร่อรวมซึ่งเราจะไปหาโจโฉนั้นกระเบเจ้าไม่เห็นด้วยขอให้รักษาเงินปักตรงไว้มั่นคงเถอะแม้โจโฉยกตามมาก็จะได้รบพุ่งต้านทานวัเดี๋ยวหรอกก็เชื่อฟังตามทอดคำของเตียวโอยผู้น้อม น, นี่แหละข่านเอี 2, ่ยวสงเอี่ยวสง กยศผู้นี้ก็หลอแต่งนังสือรับให้คนสนิดถึงพรนะเจ้าโฉนน์เมินหันต้นโฉโ์ก็รับนังสูอนั้นมาอ่านเป็นใจความว่าข้าพเจ้าเอียวสงขอคำนับมาถึงท่านวีกงเ้วยเตียวล่อขัขวางอยู่ไม่มานั้นก็เพราะเตียวโวยผู้น้องขัขวางไว้ ขอให้ท่านยกกองทัพมาตีเมืองปาถงเถิดข้าเจ้าจะเป็นใส่ศึกอยู่ในเมืองโตชว่วยได้ฝากความจากนิสือของเอียวสงก็ยินดีก็จัดแกงกองทัพยกออกจากเมืองหันตงพึ่งกองไปสู่เมืองปาถงทีเดียว เตียวร้อนนั้นคันตัวรั่วโจโฉยกับปิดตามมาถึงหนูาตาตเนี่ย mm hmm. ก็ปรึกษาด้วทฐานทั้นตัวหลบบักนี้โจโฉยกตามมาเราจะคิดอ่านต้องกันประการใดเตียวโอวยู่น้องก็จึงแบบข้าพเจ้าจะขออาสาคุ้มหนังออกไปรบด้วยโจโฉเองแล้วเตียวจจก็จัดแจงทันยกออกไปโจโฉเห็นดังนั้นก็เลยเข้าทูออกรบด้วยเตียวเอวยี่ห้าเพลง เขาถูกก็เอาทวนแทงถูกเตียวโอยตกมาตายฐานพระบุก็แตกหนีกลับเข้าไปบอกกับเตียวโรเตียวโร่ใหญ่นี้นก็ตกใจกเกณฑ์ฐานต้รักษาหน้าที่จนจนเป็นมั่นคงละเอี่ยวฉสงบุคคลสำคัญเห็นดังนั้นก็แกล้งเทรทุบายกับเตียวโอวะ่ะอันจะนิ่งอยู่ชะนี้ไม่ควรข้าสึกมาตั้งประชิด ป, ปิดเนียนอยู่ข้าแตเจ้าเองจะขอรักษาเ ม, มือนไว้ส่วนท่าน จนยกกองทัพออกไปทำสงครามี่โจโฉจึงจะสมควรกับชาติทาหารชื่อเสียงท่นก็จะปรากฏยืนนานไปถายหน้าเปียวร่อนั้นไม่มีปัญญาจะรู้ในอูบายอาของเอวสงเลยก็จัดแจงทาหารยกออกไปทหารที่ออกไปได้เตียวร่อนั้นก็ชวนกันกลับเข้าไปรักษาครอบครัวอยู่ในเมืองคี่ไม่ฝปายด้วย เตียวลอ่อก็ตกใจขับมาถอยหนีจะกลับเข้าเมืองโจโฉก็คุมทหารว่ายติดตามเข้ามาฝ่ายเตียวสองอยู่เป็นเชิญเพินเห็นเตียวลอ่อกลับมาจะเข้าเมืองก็ฐานติดประตูเมืองเสียโจโฉนั้นก็ร้องว่าแต่เตียวล่อว่ะตัวท่านจะถึงแก่ความตายครั้งนี้แล้วแม้เข้ามานกนอกแต่เราแต่โดยดีเราก็จะไว้ชีวิตให้เตียวลอ่อได้ฟังดังนั้นก็ลงจากหลังมา ทิ้งอาวุธเข้าไปคำนับโจโชโจโฉก็มีใจเอ็นดูก็พาเตียวร้กลับเข้าไปในเมืองแล้วก็แต่งให้เตียวรอ้อเป็นเจ้ามูลปลาโถงมัณฑาฐานของเตียวร้อนั้นก็แต่งตั้งตามตําแหน่งผู้ใหญ่ผู้น้อยโจโชนั้นครั้นปราปรามหัวเมืองซึ่งขึ้นแก่ฮันโถงเนงี่ยฮันโถงเป็นมึงใหญ่นะครับเอาปราปรามหัวเมืองทั้งวงราบขับแล้ว คุณเบเมตตาแก้ทะหารเป็นอันมากแล้วจึงให้หาเอลสองบุคคลสําคัญเข้ามานี่เอลสองได้รับสิ่งต่อแทนกันแบับ น, นี้ละ่ะโจโฉเมื่อได้ตัวเอวสองเข้ามาแล้วเนี่ยก็จึงพูดว่าตัวเนี้เป็นคนโลกหาจตันดีต่อ น, นายมิไดเห็นแต่ว่าสการะควรหรีอเอาใจออกหาเกเอรสง แม้เราจะเลี่ยงตัวไว่สืบไปก็จะเอาใจเผือแพ่แต่กล้าสัจกรูโจโชว่วาแล้ว<ๆ>ก็ฉะนั้นเอาตัวเอี่ยวสูงไปกระเวนไปประจานและก็ฆ่าเสียปัหัวเสียประจานไว้หวังเนื้อผู้ใดดูเยี่ยงอย่างเนื่อโจโชตราปราเมืองหันตรงในวันเมือขึ้นนั้นคนทั้งปวงเรียกแว่นแควนนี้ว่าตั้งฉวนแต่ภาษาไทยว่า ทางกันบานฝ่ายตะวันออกเรื่องของสารพวกนี้เราจะฟังกันแบบไหนจะคิดกันอย่างไรนี่ก็ได้ทางนั้นเป็นเอี่ยวสงิ่งไหมครับผู้มีความระมบโทรมากิกนซึ่งบางซึ่งเ ด, ดินเทยกต่างๆนานาประการเนี่ยผลที่เขาได้รับเนี่ยก็จบสิ่งชีวิตลไปนิใช่ยธรมดาจบสิ่งชีวิตลงไป แต่มี่ใช่ธรรมาดามีเอลสองอัโปโาเจโฉปราปรามบุนทน ต, งตังชวนเรียกอย่างนี้เถอะตังชวนนะครับมี่ใช่เสยชวนนะตังชวนได้เรียกร้อยละทีนี้ในบทนี้จะกล่าวถึงบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งของสามกกมีไหมผู้ฟังสามกกที่จะไม่รู้จักสุ ม, มาอี ขนาดนั้นซูมาอีนได้เข้าไปอยู่ด้วยโจโฉแล้วแต่แต่ยันอยู่บนหุเตโถแลเจอโฉอเนี่ยก็ใช้ซูมาอีให้เป็นสมุมบรรนบัญชีทหารเลยซูมาอีได้เข้าไปขมักโจโฉแล้วก็กล่าวว่าครั้งนี้ขันยศกองทัพมาตีได้หนึ่งพันตัวแล้วข้าพเจ้าแก้งกิติศักดิ์ว่าเล่าปี ได้เมืองเสฉวนแล้วขับเล่าเกี้ยงออกจาดเมืองอาณาประชารัฐตลทั้งปวนซึ่งอยู่ในเมืองเสฉวนนั้นยังไม่ปกติกแต่เล่าปีท่านยกกองทัพมาถึงนี่ก็เป็นทางกันดานอยู่ที่จะเลิกทัพกลับไปนั้นไม่ควรและเมื่อไรจะได้ยกมาอีกเล่าขอให้ไปตีเอเมืองเสฉวนให้ได้แค่นในครั้งนี้โดยทีเดียวแล้วจึงค่อยยกทัพกลับ อีบริบทเป็นมาเรียกว่าตำแหน่งเพียงแค่สมุบัญชีทหารโลข่านั้นแต่ก็เอาละเขาก็มีโอกาสได้เข้ามาที้แจงบั่งตามจังกวรดังนี้ล่ะโจโฉได้ฟังดังนั้นก็ทำเป็นทอดใจใหญ่โจเมิงเต้ผ่านวิธีการของกันอยู่ละทำเป็นถอมใจหัว